อัตตากับมานะปัจจุบันนี้ได้มีความสับสนเกิดขึ้นบ้างในการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องตัวตนและการยึดถือตัวตนซึ่งเห็นว่าควรจะนำมาชี้แจงเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดแทรกไว้นาที่นี้ด้วยคำที่เป็นปัญหาในกรณีนี้คืออัตตากับมานะอัตตาเป็นคำบาลี รูปสันสกฤตเป็นอัตมันแปล ว, ว่าตนตัวหรือตัวตนพุทธธรรมสอนว่าตัวตนหรืออัตานี้ไม่มีอยู่จริงแต่เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเพื่อสะดวกในการสื่อสารเพื่อความหมายรู้ร่วมกันของมนุษย์ในความเป็นอยู่ประจำวันกาหนดตามชื่อที่บัญญัติขึ้นหรือตั้งขึ้นสำหรับเรียกหน่วยรวมหรือภาพรวมหนึ่งหนึ่ง อัตตนี้จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นก็ต่อเมื่อคนหลงผิดเกิดความยึดถือขึ้นมาว่ามีตัวตนจริงๆหรือเป็นตัวตนจริงๆเรียกว่ารู้ไม่เท่าทันความเป็นจริงหรือหลงสมมุติในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตตานี้พึงทราบว่าอัตตาไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่สิ่งที่จะต้องละเพราะอัตตาไม่มีอยู่จริง จึงไม่มีอัตตาที่ใกลจะละได้อัตตามีอยู่แต่เพียงในความยึดถือสิ่งที่จะต้องทำก็มีเพียงการรู้เท่าทันตามเป็นจริงว่าไม่มีอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาอย่างที่เรียกว่ารู้ทันสมมุติเท่านั้นพูดอีกในยะหนึ่งว่าละความยึดถือในอัตตาละความยึดถือว่าเป็นอัตตา หรือถอนความหลงผิดในภาพของอัตตาหรือในบัญญัติแห่งอัตตาเสียเท่านั้นเรื่องอัตตาและการปฏิบัติต่ออัตตาในความหมายที่ใช้ทั่วไปมีเพียงเท่านี้อย่างไรก็ดีในสุตตานิบาต ท, ที่ได้ยกมาอ้างในข้อก่อนท่านใช้คำว่าอัตตาคู่กับนิรัตตาหรืออัตตังคู่กับนิรัตตัง และได้ขยายความหมายของอัตตาในกรณีนี้ออกไปว่าหมายถึงการยึดถือในอัตตาหรือการยึดถือว่ามีอัตตาและอีกในย่าหนึ่งว่าสิ่งที่ยึดถือไว้คู่กับนิรัตาซึ่งหมายถึงการยึดถือว่าไม่มีอัตตาหรือการถือว่าอัตตาขาดสูญไปและอีกในย่าหนึ่งว่าสิ่งที่จะต้องปล่อยละ ความหมายของอัตตาในกรณีนี้เป็นความหมายแบบขยายตัวเกินศัพคือมุ่งเน้นที่ทิฏฐิอันได้แก่ความเชื่อถือหรือความยึดถือในอัตตาที่เรียกว่าอัตตาทิฏฐิหรืออัตานุทิฏฐิซึ่งก็คือความเชื่อว่ามีตัวตนที่เป็นแกนเป็นแกนถาวรที่เรียกว่าสัตสตาทิฏฐิดังนั้นในคำภีมหานิเทศและจุลนิเทศ ที่อธิบายสุตธานิบาตตอนที่อ้างนั้นจึงไข ค, ความคำอัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่อัตตาทิฏฐิหรือสัจสตาทิฏฐิในเมื่ออัตตาในกรณีนี้หมายถึงตัวทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสคือทิฏฐิต่ออัตตาหรือทิฏฐิว่ามีอัตตาจึงเป็นสิ่งที่ต้องละฉะนั้นในสุตตานิบาตนั้น จึงมีข้อความบาลีกล่าวถึงการละอัตตาว่าอตัญชะโโหคือผู้ละอัตตาบ้างอัตังปหายะบ้างคือละอัตตาที่หมายถึงอัตตาทิฏฐิหรือสัสตตาทิฏฐิได้แล้วยังมีการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการถืออย่างทิฏฐิกล่าวคือทิฏฐินั้น เป็นการถือว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตนเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเห็นว่าตัวตนเป็นของทาวรเป็นตน้นส่วนการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการถือสำคัญหมายความว่าถือเทียบเคียงระหว่างตัวเองกับตัวอื่นถือเอาไว้วัดไว้แข่งกันถือสูงต่ำถือตัวตน ในลักษณะที่จะเอาตัวตนนั้นไปเป็นนั่นเป็นนี่เช่นว่าฉันเป็นนี่ฉันแค่นี้ฉันสูงกว่าฉันต่ำกว่าเราด้อยกว่าเราเท่ากับเขาเป็นต้นการถืออย่างนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่ามานะแปลว่าความถือตัวความทะนงตนความสาคัญตนว่าสูงต่ำเด่นด้อยเท่าเทียมเทียบเขาเทียบเรา ตลอดจนความรู้สึกภูมิภูมิพองๆถือตัวอยู่ภายในมานะนี้เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับทิฐิจึงเป็นสิ่งที่ต้องละหรือต้องกําจัดเสียในปัจจุบัน เ, เริ่มมีความนิยมขึ้นบ้างในบางท่านหรือบางหมู่ที่จะใช้อัตตาในความหมายของมานะอย่างนี้เช่นว่าคนนั้นมีอัตตามาก อัตตาเขาใหญ่อย่าเอาอัตตามาว่ากันอย่าให้อัตตาแรงนักดังนี้เป็นต้นพึงตระหนักว่าการใช้อัตตาในความหมายอย่างนี้เป็นเพียงความนิยมเท่านั้นแต่ไม่ถูกคำที่ถูกต้องสาหรับกรณีนี้คือมานะซึ่งเป็นกิเลสตัวการที่ทําให้ไม่ฟังกันไม่ลงกันไม่ยอมกัน ทำให้แข็งให้อวดตลอดจนกดคมกันอันหนึ่งพึงสังเกตด้วยว่าแม้แต่การถือตัวว่าเท่ากับเขาก็เป็นมานะเป็นกิเลสเช่นเดียวกับการถือว่าสูงกว่าเหนือกว่าเขาหรือต่ำกว่าด้อยกว่าเขาเพราะตราบใดที่ยังเป็นการถือตราบนั้นก็ยังเป็นการเทียบตัว และการกดบีบหรือแบ่งพองของจิตซึ่งอาจไม่ตรงเท่ากับความเป็นจริงหรือเอาความจริงมาเป็นฐานก่อความกำเริบกดบีบแบ่งพองจิตจึงยังเป็นภาวะไม่อิสระไม่ปลอดโปร่งพองใสการที่จะไม่ให้เป็นมานะไม่ให้เป็นกิเลสก็คือการรู้ตามที่เป็นจริงไม่ว่าจะรู้ว่าสูงต่ำหรือเท่ากันก็ตาม ถ้าเป็นการเข้าถึงความรู้และเป็นเพียงความรู้ก็ไม่เป็นมานะไม่เป็นกิเลสขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอัตตาและมานะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตัวตนและการยึดถือตัวตนสองคำที่เข้ามาในภาษาไทยแล้วมีความเพี้ยนไปและสับสนกันสันนิษฐานได้ว่า ตอนแรกมานะถูกใช้เพี้ยนไปก่อนคือมานะแทนที่จะหมายถึงการถือตัวถือตนคนไทยใช้กันไปมากลายเป็นหมายถึงความภาคเพียนเมื่อมานะมีความหมายเพี้ยนเป็นความเพียนไปซิแล้วต่อมาคนไทยจะพูดถึงความยึดถือตัวตนหรือความถือตัวถือตนนั้นก็ต้องหาคำอื่นมาใช้เห็นคำว่าอัตตามีความหมายใกล้กัน ก็เลยเอาคําว่าอัตตามาใช้ในความหมายของมานะทําให้มานะและอัตตามีความหมายคลาดเคลื่อนไปทั้งสองคและแถมยังทำให้สับสนกันเสียอีกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องของภาษานี้เมื่อคนหมู่ใหญ่นิยมใช้กันไปกว้างขวางยาวนานแล้วก็แก้ไขได้ยากมักจะต้องปล่อยไปยอมให้เป็นความหมายที่งอกไปอีกแง่หนึ่ง แต่สำหรับผู้ศึกษาเป็นเรื่องที่จะต้องรู้เท่าทันและใช้ความระมัดระวังโดยไม่ประมาทเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาศึกษาธรรมะจะให้เข้าใจถึงสภาวะก็ต้องรู้ให้ถึงความหมายแท้ที่ถูกต้องชัดเจนใจความของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าอัตตาเป็นปัญหาของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ว่าจริงหรือเท็จ มีจริงหรือไม่เป็นเรื่องของสภาวะหรือสภาพความเป็นจริงที่จะต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาถ้ารู้ไม่ถึงสภาวะที่แท้ก็เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีอัตตาจริงๆก็เป็นทิฏฐิขึ้นมาจึงว่าเป็นปัญหาของปัญญาคือจะต้องแก้ด้วยปัญญาหน้าที่ของเราก็เพียงแค่รู้เข้าใจ หรือรู้ความจริงพอเกิดปัญญารู้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าอัตตาไม่มีจริงก็แค่สมมุติกันสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีไม่เป็นอัตตาเท่านั้นเรื่องก็จบส่วนมานะเป็นปัญหาของจิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเรียกว่ากิเลส เป็นอาการของจิตที่มุ่งจะถือให้ตัวสำคัญจะยกตัวขึ้นจะกดเข้าลงมัวหมองกดดันหนักเครียดขัดแยง้งแบ่งแยกเบียดเบ่งให้ตัวป่องให้ตัวพองโตไม่โลง่งไม่โปร่งไม่เบาสบายเป็นอาการของจิตที่จะต้องแก้ไขไทยถอนหน้าที่ของเราคือฝึกจิตพัฒนาใจพยายามเลิกละกำจัดมันเสีย และหัดเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักให้เกียรติให้โอกาสให้ความสําคัญแก่ผู้อื่นเป็นตน้นพูดให้ง่ายว่ามานาเป็นปัญหาด้านจริยธรรมเพื่อไม่ให้ปล่อยใจไปตามกิเลสก็สอนว่าไม่ควรถือตัวถือตนส่วนอัตตาเป็นปัญหาด้านศัลธรรม ที่แก้ไขด้วยการที่ปัญญารู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนที่จะถือแล้วในขั้นสุดท้ายทั้งสองอย่างนี้ก็มาบรรจบกันคือการรู้เข้าใจอนัตตาทำให้ละมานะไปเองเมื่อรู้เข้าใจว่าไม่มีอัตตาไม่ยึดเอาเอะไรเป็นอัตตาแล้วความยึดถืออัตตาหายไปมานะก็หมดไป เมื่อเกิดปัญญารู้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่เป็นตัวตนมองเห็นความไม่เป็นตัวตนเห็นอนัตตาแล้วปัญญาก็ปลดปล่อยจิตใจให้หมดความถือตัวถือตนไม่ถน o n ตัวไม่ยิงพยองไม่ลำพองตนเลิกสำคัญตนว่าสูงตามยิ่งใหญ่เป็นตน้นคือหมดมานะดังพุทธพจน์ว่า ผู้หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาจะลุถึงภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่งอัศมิมานะความถือพองว่าเป็นตัวกูเป็นนิพพานในปัจจุบันทีเดียว